บางเรงบางทาบางอาต่างใชพูดไม่ใช่เล่านิ้อยเป็นเรื่องของชีวิตจิตใจเราในชีวิตเรามันก็มีอยู่สองส่วนส่วนกายส่วนใจแต่ว่ากายว่าใจนี้มันไม่ค่อยมีค่า ใครๆก็รู้ร่างกายร่องกายต้อ ง, งลึกซึ้งเข้าไปก่อนันา้ามีสติมีสติดูให้เห็นจนเห็นเป็นรูปเห็นเป็นนามให้เห็นเป็นปรูปปัตตมเห็นเป็นนามะทมส่วนที่มันเป็นรูป ไม่มีอะไรที่ใหญ่กว่าลูกส่วนที่นั้นเป็นนามก็เป็นไปตามหน้าที่ของนามแต่ถ้าไม่มีสติระหว่างรูปกับนามจะไม่ค่อยเป็นธรรมต่อกันโลกเรียกเตียนนามนามเรียกเตียนรูปกของทุกของรูกก็ไปทุกของนาม ความทุกข์ของนามก็ไปทุกข์ของลูกลูกนามเนี่ยถ้าเราไม่มีสติจะไม่มีความเป็นธรรมต่อขะจะไม่มีความเป็นธรรมจนจนเกิดเจ็บไข้ได้ปวดเพราะลูกพ่อนามวิโลกใครไข่เจ็บบาดยาเกิดจากลูกจากนามไม่มีความเป็นธรรม เป็นความโกรธไปทุกลูกคุณหมอก็อก็บอ ก, กว่าถ้าโกรธถ้าเครียดต่อมาแต่เป็นโรคกระเพาะอาหารความโกรธเป็นเรื่องของหนาแต่ว่าตัวลูกเป็นทุกเป็นผลกระทบเป็เรื่องของลูกต้องร้อนต้องหนาวต้องเจ็บปวดไปทุกที่หนาม นาก็จาต้องทุกไปสองเท่าถ้าลองมาดูมันมีสติดูเห็นเป็นรูปเห็นเป็นนามตัวสติจะเข้าไปเป็นกลางระหว่างรูประหว่างนามสติจะเป็นกลางไม่ว่าอะไรถ้ามีความเป็นกลางเกิดขึ้นระหว่าง มากแตเกิดความเป็นตายชีวิตเรานะต่อชีวิตนอกแกตัวเราก็ต้องก็มีวันกัดบุคคลที่หนึง่งที่2องที่สในความเป็นกาดพูดตกลงฟงใจเข้าใจซึ่งกันและกันได้ต่างเป็นบุคคลที่เชื่อถือพูดในความเป็นตาย แต่ว่าความเป็นธรรมจริงๆมันต้องโต้จากตัวเราเราจะไปเรียกร้องคัามเป็นธรรมจากภายนอกหาได้ยากแต่ถ้าเรามาัมีสติมันสร้างสติเนี่ยรูปสืบตัวรูปสึกตั ว, ตวเห็นกายเห็นใจเห็นเป็นรูปป็ะธรรมาาเห็นเป็นนามธรรมเรื่องของรูปมันจะบอกจะบอก สติได้ดูได้เห็นแล้วเป็นอันว่าลืนไม่เป็นถ้าจะเป็นคาตอบของสติเขาก็ตอบว่ารู้แล้วรู้แล้วอะไรที่มันแสดงออกทางลูกสติจะตอบว่ารู้แล้วรู้แล้วอะไรที่แสดงออกทางนามสติจะตอบว่ารู้แล้วรู้แล้วคาว่าไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นไม่น่าจะเป็นอย่างนี้ ทำไมยึงเป็นอย่างนั้นทำไมยึงเป็นอย่างนั้จะไม่มีรอชีวิตชีวิต ท, ท, ที่ไม่มีจุเป็นชีวิตที่ไม่มีเป็นจำเลยอะถ้าเราไป <c oughs> คิดว่าไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นไม่น่าจะเป็นอย่างนี้เราก็ตกเป็นจำเลยเพราะมีจุก็เป็นภาระเป็นภาระต อ, ช อ, ชอดชีถ้าสติเป็นว่ารู้แล้วรู้แล้ว แสดงว่าเสลยได้ชีวิตของคนเราส่วนมากจะมีปัญหาในสองอย่างเลยเรื่องขายเรื่องจากเรื่องนั้นอื่นไม่เท่าไหร่เป็นอันรองแม่วุคคนอื่นก็เป็นรองถ้าเรามารู่ตัวเราได้มักจะเข้าใจคนอื่นสิ่งอื่นวัตถุอื่นเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีมันคำว่ารู่แล้วลู่แล้ว ภาษาบาลีเลยว่าปัญญาสิอัญญาสิอัญญาสิวัตถะโภคนทันยูอัญญาสิวัตถะโภคนทันยูลู่แล้วหรือลู่แล้วหรือลู่แล้วรู่แล้วเป็นคนแรกคือปัญญาคนทัญญะรู่แล้วรู่แล้วลู่แล้วหรือลู่แล้วลูแล้วเพราะว่าลู่แล้วเนี่ยมันก็หลุดพ้นอยู่ตรงนั้นเราจะมาสร้างกันนะ คำว่ารูกแล้วเนี่ยมันเป็นภาษาธรรมในภาษาที่ไปเห็นลูกเห็นหนามเห็นธรรมชาติของลูกเห็นธรรมชาติของหนามเห็นอาการของลูกเห็นอาการของหนามต่างคนต่างไม่เป็นอีกไม่เป็นอีกหนึ่งเดียวเทนันเหมือนกันทุกคนเหมือนกันทุกชีวิตอันชื่อว่าลูกก็บหนามไม่ต่างกันเป็นสัจธรรมเป็นอันเดียวกันเป็นสารพน สาคนแห่งธรรมคือลูกกระทั่งคือนมามธรรมคือสติคือสัมผัสัญญาความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวมันก็ไม่เหมือนกับความหลงตรงกันข้ามพอดีความหลงก็ไม่ใช่ความรู้สึกตัวแต่ความรู้สึกตัวคู่กับความหลงถ้ามีความหลงก็มีความรู้สึกตัวก็ถือว่าเรียบเทียบกันไม่ไม่สุดโตก ในความรู้เป็นความหลงจะเกิดความเป็นกลางจะเกิดความเป็นทรรมในความทุกข์เป็นความไม่ทุกข์น่ะทตรงกันข้ามพอดีเหมือนพระสิท ธ, ธาทัที่แรกก็ตอบไปอ่ะเห็นกาเห็นคนเกิดเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บของคนตายสิทธาจะไม่มีคาตอบแล้วพยายามที่จะตอบสิ่งเหล่านี้ให้ได้ ก็มองว่าถ้ามีความเกิดก็ต้องมีไม่เกิดถ้ามีความเจ็บก็ต้องมีไม่เจ็บถ้ามีความแก่ก็ต้องมีไม no ่แก่ถ้ามีความตายก็ต้องมีความไม่ตายอะไรที่ไม่ตายโงมก็ค้นหาจนพบมันก็เป็นเรื่องของโลกประถมของธามะธรรความกลเป็นการเกิดแก่เจ็บตายเพราไม่กลเป็นสิ่งที่ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย ความไม่เกิด oui, ไม่แก <All right. S 2> ่ไม่เจ็บ ème, notions, ไม่ตายมีอยู่ในชีวิตเราความโกรธเป็นสมมติปัญญาความไม่โกรธเป็นปรมาจิตจักความหลงเป็นสมมุติความไม่หลงเป็นปรมัตักความทุกข์เป็นสมมติความไม่ทุกข์เป็นปรมัตักเราเข้าข้างเราเข้าข้างอันไหนเออดเราถเราไม่ศึกษาไม่ค่อยมีการมีประสบการณ์ในบทเรียนมักจะเข้าข้างไม่ค่อยถูก บางทีเก็บรีบเอาความหลงรีบเอาความโกรธยึดเอาความทุกข์มันจะไหลไปทางนนัความโกรธมันก็ไม่รสชาติทำให้คนลืมมันไม่ได้บางคนลืมไม่เป็นอีกให้ความโกรธนอนอยู่กับชีวิตเราข้ามวันข้ามคืนทั้งๆ ท, ที่ไม่มีประโยชน์แต่ถ้าเรามาดูตรงกันคข้ามมามีสติมารู้สึกตัวมารู้สึกตัว มันก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลกปฏิคือเปลี่ยนเปลี่ยนปิดเป็นถูกเปลี่ยนร้ายเป็นดีเป็นหลงเป็นรู้เปลี่ทุกข์เป็นไว่ทุกมันก็เปลี่ยนปฏิคือเปลี่ยนเปลี่ยนปิดเป็นถูกเราจะมาสร้างตัวเี้จะ่าปัญหาคำตอบเอากลับเอาการกระทำเอาการกระทำการกระทำมันจะลิขิตมันจะลี้ิดไปเอง คลของการกระทางัจะได้คิดไปไม่ต้องไปใช้สมองํำอย่างนี้มันเกิดอย่างนี้ขึ้นมายังสมกับวิชาที่เรียกว่ากรรม า, ากรรมเป็นสิ่งที่จำแนกสักกรรมโมนาัตทตีโลกะสวนโลกย่อมเป็นไปตามกรรมพ ร, ะราะพุทธศาสนาสอนหนึ่งนี้ว่า การถ้าเรามาสร้างความรู้สึกตัวมาสร้างความรู้สึกตัวนตรงนี้อยาให้บกคร่องอันอื่นไม่บกคร่องหรอกเราคนเราคนไทยเราอันอื่นไม่บกคร่องหรอกกาปรปฏิบัติอะไรลๆต่อกันต่อประเทศชาติให้บกคร่องแต่ว่าปาร์โติโกต์น่ะก็ศรัทธาทั้งนั้น ในกติกามสาลามีบริเวณอะไรต่งางๆเป็นผลศรัทธาของพวกเราไม่บกทร่องแต่ว่ามันบกทร่องอยู่กับตัวลูกกับตัวหลงเรามาเสริมตัวในกับการเรามาเสริมตัวนี้ของสักหนึ่งวันถึงเก็บวันให้โอกาสให้โอกาสต่อชีวิตเรา อยาามาสร้างความรู้สึกตัวสร้างความรู้สึกตัวอันอื่นทวายกรทำไง ม, มันจะรู้สึกตัวเอากายเอาใจเนี่ยมาปิดมาประกอบมาสัมผัสมาตอ่อเป็นวัสดุปปอุปกรณ์ปิดให้บันเกิดความรู้สึกตัวนับตั้งแต่ริพตาคืนน้ำลายหัดเจ็บตกเล็กๆน้อยๆหัดช่วยโอกาส นิดหน่อยก็ยังดีบางทีเราอาจจะไม่ไมีเวลามานั่งยกมือสร้างจาังหวะบางทีเราอาจจะไม่มีเวลามาเดินอยู่ในเส้นทางเดินจงรมแต่หาช่วยโอกาสเริ่มไว้เรื่อยๆไปลำดับลำนำําจิดใส่ใจตามมีสติไปกับการใช้ชีวิตเวลาใดที่เราไม่ได้อยู่ในเส้นทางเดินจงกรเวลาใดที่เราไม่ได้มีโอกาสนั่งสร้างจาังะถ้าเราใส่ใจ เรียกว่าถุงดึงนะ่ะถ้ามันถ้ามันรู้เสึกได้รู้เสือได้มันจะเป็นการลากมันไมน่มันไม่เหมือนขึ้นหน้าผาไม่เหมือนหับหับด้ามผ้าด้วยเขา่ามันเขาสร้างทางขึ้นเขาจะขึ้นหน้าผาชันๆเลยมันจะแบบตรงลากไปก่อ น, นลากตรงสาพอที่ารถจะขึ้นได้ชีวิตของเราระวังกัน ยอย่จะมาหรับมาหอมหมเลยให้รูดันทีไปให้มันหลงรูทันทีเนี่ยมันก็ไม่ค่อยสะดวกราจะเกิดการเข็ดหลาบกานหักเจ็บตกชีวิตของเราเนี่ยหัดรูไปอะไรที่ไม่ใช่ ปฏิบัติที่เราเจตนาพยายามลำดับลำนองจิตใส่ใจตามเอาไปมามันก็จะง่ายโดยเฉพาะก ร, รมฐานโดยเฉพาะการเจริญสติแบบนี้มันเป็นมันเป็นเรื่องที่รีบตัวนมันเป็นเรื่องที่รีบตัวนมันเป็นเรื่องที่ลัดไวยรัดยังไง กวที่เราจะมายกมอลสร้างจังหวดมันผ่านอะไระาัวที่จะมาลู้ที่มือเนี่ยมันผ่านอะไรบ้างบ้างกก็คนเราจะมาลู้สึกตัวอยู่ที่ขายเคลื่อนไหมันผ่านอะไรมาัวที่เราจะมากำหนดลู่ก้าวแต่ละก้าวที่เราเดินไปมันผ่านอะไรมามันลัดจนขนาดมาลู่อย่างนี้เลยอ่าตอนท่านที่เรามีแรได้เยอะยยๆเยอะๆก่แล้ว แต่จะดู ว, ว่าลูกมือเคลื่อนไว้ไปหมดโอ้ไม่ใช่เนิ่นช้านะน่ะมันนัดมันไวมันตรงถ้าเราทําตรงนี้ทํามันไวจนเกินไปบางทีเราก็ต่ไำไปครับอันเราจึงพยายามให้มันลู่ช้าๆมันทั้งที่มันการกระทําำของเรามันรัดอยูมากอยูแล้วเรายังเป็นเล่งไป็นโหมเข้าไปอีกก็ไม่ไม่ถูกต้อง ตอเจก็เกิดการง่วงเหงาห่อนอนเลยพอเรามายกมือรูดสึกตัวเนี่ยโอ้มันมันปฏิบัติตรงแล้วจนมายกมือลูดสึกตัวนี่แหละคือตัวตรงปฏิบัติตรงแล้วเดินก้าวทีละก้าวลูดสึกตัวทีละก้าวเนี่ยปฏิบัติตรงเนี่รัดแล้วจนมาถึงความรูดสึดตัวความรูดสึดตัวก็คือทั้งหมดของเจ็บความรูดสึดตัวก็คือทั้งหมดของลมปจาณ มอยจับทั้งหมดของรู้สึดตัวมันเกิดอะไรขึ้นก็รู้สึดตัว่รููสึดตัวไม่เปิดไม่เพื่อนรู้สึดตัวไม่เปิดไม่เพื่อนกับอะไบริสุทธิ์บริสุทธิ์ถ้าเป็นเราก็ไม่บริสุทธิ์เพื่อนอะเพื่อนเลยไปด่างแล้วพ้อยแล้วถ้าเป็นศีลก็ทะรูดแล้วด่างแล้วพ้อยแล้ว ภิกษุเมื่อเธอคุณคิดในลมที่คุณคิดเธอไม่มีสติเธอไม่มีสติก็สแสดงว่าศินของเธอทะลุแล้วต่างแล้วคล้อยแล้วในภพ ม, มจันทนระ์แต่ว่าภิกษุใดเมื่อเธอคุณคิดในลมที่คุณคิดเธอไม่สีสติเธอไม่ีสติสลัดอนรมนั่นรู้สึกตัวสินของเธอก็ไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยตัวสินเองก็สึกของรู้สึกตัว บริสุทธิ์นี่เราประพฤติพรมมาจัดสร้างความรู้สึกตัวมันเป็นพรมมาจัดบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเถิดมีสติมันก็ลับความชั่วมีสติมันก็ทำความดีมีสติกิตมันก็บริสุทธิน์นี่หลวง่อว่ามันพอใจที่พอใจพอนที่เราจะมายกมือสร้สางแต่หวารู้สึกตัวหนุ่น้ายกมือไหว้ตัวเอง เป็นความพอใจเป็นสุดเป็นที่สุดของการทําความดีอะไรเป็นความรู้สึกตัวแล้วเวลาอะไรที่มันหลงไปรู้สึกตัวเนี่ยมันก็ใช่ได้ต้องรู้สึกตัวใช่ได้จริงจริงปรับความหลงเป็นความรู้ได้ปรับความผิดเป็นความถูกปรับความทุกข์เป็นความไม่ทุกข์ปรับความโกรธเป็นความไม่โกรธมันเป็นของตรงกันข้ามปฏิบัติได้ให้ผลได้อย่างนี้ ไม่มีใครที่ทำไม่ได้ถ้ามันหลงคิดไปถึงบุรี่ลองิกมือขึ้นรู้สึกร่นก็กลับมาเรืทอยทำได้ทุกคนนี่คือของกริงนี่คือสัจธรรมขอให้เราใส่ใจตรงนี้นแต่ตื่น ร, ร่อนตรงนี้อย่าปล่อยมาที่ย่อนยานแหวนหมกมุ่นคดจิตไปอาจะเราเดินอยู่ชั <c oughs> ่วโมงหนึ่ง ถ้าเดินพอดีพอดีอาจจะได้สักสี่พันเก้าถ้าลูกทั้งเก้าก็ได้สี่พันลูกแต่ถ้าเรายอ่อหย่อนก็ปล่อยหลงไปซะอาจจะลูกสักครึ่งสองพันเก้าสองสองพันลูกหลงไปสองพันลูกไปครึ่งน่ะทำไมวะอา จ, จะหลงครึ่งน่ะลูกครึ่งหน่ะหรือยกมือช่างจังหวะการเคลื่อนไหวแต่ยกพอดีพอดีเนี่ย วินาทีละลู่วินาทีละลู่ลู่ลู่ลูเนียวินาทีลู่วินาทีหนึ่งลู่ข้างนึต่ชาติเขาไปชาติเกินไปท้าไวเ้าไม่ไวเกินเนี่ยจงหวะหนึ่งก็ได้สามพันหกรอยลู่อาจจะลงไปสักสัครึ่งอ่ะน่อาจจสร้างจะสร้างจะวะ อ, ะอาจจะลงไปสักสักครึ่งก็ยังดียังเก็บได้เอาไวมากค่อยเก็บเอาเก็บเอาค่อยทีขึ้นทีขึ้น ประมาณไม่หลงความหลงนี่ยากที่จะหลงทาไมใหม่มัง่ายที่จะหลงแต่ไปทำไปมันง่ายที่จะรู้อะไรก็รู้ทํามันเป็นมันเป็นทําให้เป็นมันก็มีศาสตร์มีนัมันเป็นชีวิตเรามันเพื่อเรื่องนี้เป็นเก่งถ้าเราฝึกหัเพื่อเรื่องนี้อะไรก็ตามชีวิตเราคือความโลดสุดตัวหายใจก็ออกคือวามโลดสุดตัว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 สอนตัวเองแล้วสอนจิตตัวเองสอนใจตัวเองสอนกายตัวเองเอาวัสรุปรอปกรณ์มาผิดถ้ามันเกิดความรู้สึกตัวหาวธีที่กระตุ้นเวนลาใดมันหลงอาจจะสร้างจั ง, งหวะแงแรงเวลาใดมันง่วงอาจจะสร้างจังหวะจนคติมันสะเทือนยึดยึดนะความรู้สึกอยอ เสริมตรงไหนที่มันอ่อนเสริมเพิมเข้มแข็งเข้าไปตรงไหนที่มันตึงกันไปก็ย้ำปรับให้มันพอดีพอดีมันมีความพอดีใบหน้าขอเราวางไหวพอดีใจก็วางไหวพอดีตายก็วางไหวพอดีวางไหวพอดีวางไหวพอดีถ้ามันอยู่ในความพอดีมันก็ตั้งอยู่ได้น่ะแต่ที่วันนั่งเนี่ยแต่นั่งพอดีพอดีไม่ต้อง บางคับกับใส่จิตใจพอดีถ้าทางพอดีก็ตั้งอยู่ได้น่ะบางทีมันเบาไปเลยกายร่กัตาความเบากายจิตตาล่ากตาความเบาจิตเบาจนไม่รู้อะไรเลยเบาจนหมอนก็ว่าไม่มีนั่งอะไรเลยเหยนยกฟังก์ไปมาโอ้โหเดินม <sh arp inhale> ันก็ไม่ละเอียบเพื่อนดีน่ยมันบอกเรื่อว่ายรางกัตาจิตตาล่าตามันเป็นกระดานั่งใหม่ๆหเนี่ยบางคนไม่เคยหัดังนั่งใหม่ๆเนี่ยตัวก็ไม่ตรงนาะ นั่งก็เพียบเอเอ็นไปวัดเก็้ามันใช่นั่งไปนั่งมาตรงเตะเลยขัดสมาธิเขาาอามันตมพ่อไปสอนพอลังอยู่ที่วัดท่านนั่งขัดสมาธินั่งขัดสมาธิไม่เป็นมันมันตกเรานะเขาขอโทษนั่งขัดสมาธ <c oughs> ิ น, น, นอออั่งนั่งไม่ตรงเลยหลวงพ่อขอรับมาแบบข่มคอลงก็ไม่ลง กนั่งกูโต๊ะเอาไปนั่งนั่งสามวันสี่วันนั่งลงได้สบายเลยทำอะไรทำใหม่อะไรทำอะไร่อออย่าไปกลัวอย่าไปกลัวตัวเองนั่งไม่ได้เดียไปกลัวเดินไม่ไหวก็อย่าไปกลัวขอให้เปลี่ยนขยะได้ไหมเท่าของคนเดินก็ซอกกระแกท้ทาจะเดินไม่ไหวสองขาวสาตยืนเดินไปเรื่อยมาแข้งอะไรแ เป็นไปได้การฝึกหัไไ ด, ไไดถ้ามีสติรู้สึกการเดินการยืนการ น, นั่งการหนอนะถ้าลองมาฝึกความรู้สึกตัวใส่ความรู้สึกตัวเข้าไปให้ทนจะหน่อยปวดขาปวดแขนมางนิดหน่อยอะไรเปนไรทนต่อหนทนต่อหนึ่ทนต่ อ, นอไปมากก็เป็นไปได้บางทีก็ล้มมาใส่ความรู้สึกเอาไปใส่ความรู้สึกเอาไปมาความรู้สึกเขียนเอาความรู้สึกมาแบม่โอกาสกันไร ถ้าหลงเราก็เปลี่ยนเขามันเดงลงใหม่ๆมันก็ว่ต้องแข่งมันเมื่อมันว่าเรามีสองแบบมันคิดไปโนดมันก็ดึงกลับมาแต่มือคิดไปมันก็ดึงกลับมาเมื่อคิดไปก็ดึงกลับมาเป็นภาระสู้กับความคิดเอาไปมาไม่ได้ดึงสนองพอรู้สึตัวพอคิดตั้มก็เป็นหน้าที่ของเป็นธรรมชาติเป็นอัตโนมัติ เป็นธรรมชาติพะมันหลงก็มีนาทีลูกขึ้นมาไม่ได้เจตนาที่จะไปดึ ง, ดงมันเลยมันกลับมาเลยมันไหวเหมั่งกันมันหัดได้มั่งกันแล้ก็เราสอดตัวหลอกบางทีอ่าผมก็เห็นจารยปภาษาในพิมพ์พิมพ์มดิบตาของไอ้ดูเนาตาออตก็อ่านหนังสือเดี๋ยวพอหลงป้าใหม่เขาทำไมถึงลูกเขาก็มาแก้แล้วก็อ่านหนัอพอมือหลงเขาก็กลับมามาแก่ถ้าหลงก็ลูก ถ้คนจะไม่ชะนนานเรื่องใดถ้ามันหลงก็โรคแก้ทันทีงั้น้องก็อะไสารไม่ไพ่การสติเข้าวไม่ต้องดูตาไม่ต้องดูแต่ถ้ามันหลงเดีวตาไม่ดูมนก็โลคเพราะมือมันถูกมันคิดจังหวะเขากลับไปแก้คำว่าขึ้นตกมาแล้วก็ไปไปไปแล้วก็เขียนเรื่องสารไม่ไพ่นะลายไม่ไพ่ชกอย่างทำไปหมดแต่มือมือมันทำไปทําไปตาไม่ดู แต่ว่าหลวงปับมันผิดมเนียดก็มาแก้ความจํำนามันลูกยิ่งความรู้กับความหลงยิ่งพิเศษเลยไม่มีใครไปเอาความหลงเพราะมันไม่ถูกจริงๆความลงความรู้สึกตัวมันถูกต้องที่สุดเลยยิ่งของกฎยิ่งไปใหญ่เลยยิ่งไม่ถูกต้องเลยไม่ใครไปเอาของกฎบางคนโอ้ยห้ามใจยากห้ามใจยาก อ่ากอให้ทําอะไรเลยไม่ยากสักหน่อยเรื่องใจนี่สอนง่ายกว่าการบางคนเราไปห้าดใจไปตอการหัดใจเนี่หัดยากเยไม่ใช่หรอการหัดใจเนี่หัดง่ายไม่มีวัตถุที่หนึ่งที่สอนการหัดใจเนี่ยโอ้ต้องให้รายละเอยีอยดหิวข้าวก็ต้องกินข้าวพิยาที่กินข้าวก็ต้องมีถ้วย ม, วมีช้อนมีช้อนมีมือมีเล่เปิดจินข้าว หนาวก็ต้องหาผ้ามาหอ่อเก็บปัวก็ต้องเปลี่ยนไนอ้บทหาที่นั่งที่นอนแต่ใจให้เปลี่ยนได้ทัน ท, นทีไม่มีการไม่มีเวลาแต่กายต้องเหน็ดเหนียวข้าวตอนนี้เราไม่มีข้าวจริงแล้วคงนี่จป็นะไรจริงแต่ว่าใจนี่เปลี่ยนได้ทันทีทันทีเลยทีเดียวเครื่องของใจไม่ต้องไปขอร่องบุคคลที่หนึ่งที่สองวัตถุที่หนึ่งที่สองไม่มี เปลนได้เลยมันโกรธเป ล, ลี่ยนปั๊บทันที่มันทุกเปลี่ยนปั๊บทันที่มันลงเปี่ยนทันทีเรื่องของเรื่องของใจสะดวกโกรก่อนตามที่หลวงพ่อที่ฝึกหัดตัวแดีวที่แรกก็ททอแท้มันกันยี่สิบวันเลยเกือบจะไม่รููเลยมันมันอยากลูดกันไปมันลงทุนมากหลวงพ่อปฏิบัติทำนี่ลงทุนมากต้องต้องด้วยต้องทวนกระแสออกมา เที่ยงลูกเที่ยงเมียบาต้องคิดถึงลูกทั้งคิดถึงเมียทั้งคิดถึงพี่ถึงน้องแม่ก็หักไม่มีใครเห็นดีด้วยพวกเราเนี่ยมาเดียรถตู้มาส่งอพ่อไปถึงกระโขไปเดียวนั่งรถเกียร์ญี่ปุนไปบางเลยน่มไปก็ไม่มีใครไเปเลยคนแตกหน้าไเปเลยคนภาษาบางเลยมาล้านล้านี่ว้า มาเิดมาลาล่าไม่ว้าชอยู่เหิรบรู้ไหมมันก็คือะรให้ก็นอมาลาล่บออยู่เฮิรบเฮียรู้อไหมรู้มาลาลามาเด่นชิดบออยู่เหิรบออยู่นานบอเฮิงมคือหนาลิ้นลินลิ้นินลาลาเออพวกเรามาเลย โรงพาบาลบดิลล์ลัมนีม่แต่เพื่อโรงพาบาลสุริ น, นทรพชยพงศ์คนหมอประสาททั้งแม่บ้านทั้งคนไม้ทั้งลลกชายสามคนโอ้ยระทิสถึงแบบอุ่นใจที่สุะสบายเลยไปปฏิบัติที่เรก น, น่กะกติกเขาบมี้องเกิเทียนที่จังได้บ่มีคนอยู่แล้วที่อยู่จังสิได้ล่ะไปหาขอเตียง ไปขอเตียงวัดบ้านปากภู <c oughs> เอาร่อหน้าใสหมาไปซื้อผ้าเปาติกมาทำหลังคาไปวางไว้ในป่าเอาผ้าจีวรขาดๆของพระมาทำเป็นป่า <c oughs> ผลจบพ้องมันไม่ประเด็นอย่างลงทุนตกใจตัวที่จะไปรู้เลยจนถามหลวงพ่อเถียนหนึ่งวันสองวันข้าวันสิบวันเนะี <c oughs> ่ยยังไม่รู้เลยอยากเกินกัน ถามหลวงพ่อเทียนหลวพ่อครับผู้มาปฏิบัติหลวงพ่อไม่รู้อะไรเลยมีไหมไม่มีสักคนแต่ทแม่ผมใี่แห้ะหลวงพ่อยิ่รปวดหลวงพ่อเทียนจับมือทันทีเลยเดินเข้ามาจับหมดอหนก่อนก็เป็นโยมท่านก็ได้ปวดไม่คิดว่าจะบวดปฏิบัติธรามอย่าไปคิดอย่าไปใช่ความคิด จะไปประเมินเอาการกระทําบุกเบิกวิธีใดที่จะลู่จุกตัวสร้างลงไปมันหลงวิธีใดลู่จุกตัวมันทําได้อยู่ทําได้ไหมคนหมอเวลามันห ล, ลงลู่จุกตัวได้ไหมได้ไหมเวลามันหลงหลงไปสุรินหลงไปบริลลัมจีเที่ยวแบบวันนี้ไปจีเที่ยวแล้วกลับมาได้ไหมกลับมาอยู่สุกระตัวได้ไหม มันไปถึงสุรินที่จที่ออกมาถึงบริลล์ลองไปถึงเฟรมจิตที่ออกลับมาได้ไหมกลับมาได้มานั่งอยูน่นี้มาตนี้เราอยู่กับกายเคลื่อนไหวไปมาเนี่ยมันไปเองก็กลับมาได้อเองขอให้เราเปียนตรงนี้กนะารปฏิบัติอย่าปล่อยไปแล้วเลยให้มันหลงมาพุ่มันจะให้เราสอน ม, มันผิดตัเราผิดมันจะให้เราถูกความผิดจะพาให้เราถูก ในการสอนตัวเราไม่ใช่สอนมันก็สอนคนหนึ่งมีโอกาสได้เห็นความผิดบ่อยๆนั่นแหละดีล่ะถ้าไม่ทํามันก็ไม่ผิดพลาดมันฉลาดก็เพราะถูกติถูกติถูกเตืตตอนการเตือนตนเองจงเตือนตนด้วยตนเองตจงแก้ไขตนด้วยตนเอง จงมีสติจะอยู่เป็นสุขนะพิสูจทั้งหลายนี่มาเตือนตลอดมาลสุดตัวลสุตัวสตัวเราอากเอาก่มากอบางทีก็พยายามนนั่งอยู่มันคิดเปลี่ยนเอ้ยบเดินจังกบเดินงกบเมันคิดมันนั่งสร้างใ่ไยอแค่ทางออกขอเดินเดินน มันง่วงง่วงจับให้ปวดแล้วจับผ้าเช็ดประตูหน้าตา่างมันออกไปฉากมันสักอรู้สุดตัวเช็ดหน้าตา่างเช็ดข้าวเช็ของสะหน่อยแล้วก็หายง่วงแล้วกลับมานั่งเขี้ยวเลยสอนว่าจะนอนให้พรนอนให้อีกจะให้เติมสารทุน <c oughs> ยันหลับ <c oughs> <c oughs> อย่าหลับดึกเกินไปตื่นนอนแต่หัวค่มตื่นดึกนักปฏิบัติถูกต้องถ้านอนดึกตื่นสายไม่ค่อยดีนอนอย่าให้เปิดสามหลับกอ่อนเที่ยงคืนแล้วก็ตื่นตอนเช้าโอ้ยสดชื่นสบายเหนียวข้าวไหมเ ห, ห, หนียวหอ่าถ้าเหนียวก็ตื่นน้มาบ้างน้ำฝนวันลาบบริสุทธิ์ วันนี้น้อก็จะไปดูน้องชายไม่สบายที่ข้างหอคอยบ้านข้างนอกแล้วก็บางที่จะกลับมาไม่ทันแล้วก็นี่ก่อนนะนี่น้อะระังตัมมะสาวุตโ